เวลามันน่อยเต็มทีแล้วบ่ายห้าโมง19นาทีจะได้อันนี้จะได้สวดสจยันโตโวยชัยให้พรสมเด็จพระสังฆราชใหม่เพื่อนให้พากันตั้งใจ เราเกิดมาในโลกนี้ให้นึกว่าเราเกิดมาสร้างบารมีหนีจากทุกภัยในสงสารไม่ใช่เกิดมาเพื่ออย่างอื่นเนื่องจากว่าคนเราทั้งคนนี่มันก็มีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่างกาย ส่วนหนึ่งเป็นส่วนจิตว่านี่ส่วนจิตนี่มาอาศัยอยู่ร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์นี่นะทําไมมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงในว่าลวงคิดนี่มาอาศัยอยู่ของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้น มันจึงได้เกิดมีศาสนาขึ้นมาศาสนานั้นคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกภัยในสงสารอันนี้ในผู้ที่อินทียังอ่อนโยก็ไม่ไม่รู้ไม่ชี้เรื่องศาสนา คำสอนของพระเจ้านั้นทรงแนะ น, นำสั่งสอนไปก็เห็นว่าเป็นสิ่งเหลือไว้ใส่ไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้คนผู้มีอินทรีย์อ่อนอยู่มันก็เป็นอย่างนี้นะก็จะไปโทษเขาก็าไม่ได้เนื่องจากว่ามันอ่อนแอเหมือนอย่างคนที่มีกำลังน้อยอย่างนี้นะ แล้วจะไปแบกหามของหนัก น, นี่มันแบกไม่ได้เลยนะนี้่คำสั่งสอนของพระเจ้านี่จะว่าหนักก็หนักเพราะเป็นการแนะนำให้ละกิเลสตัณหาอันมันหมักดองอยู่ภายในจิตใจของคนเรานี้วันนี้กิเลสตัณหามันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่เองนับชาติไม่ทวนเลย นันั้นบุคคลจะมาละมันเอาง่ายง่ายอย่างนี้จะให้มันถอนออกไปนไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ <c oughs> ต้องอาศัยกำลังแห่งกุศลคุณงามความดีที่บุคคลแต่ละคนสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้มากก่ากล่วกิเลสตัณหานั้นเข้าไปอีก ก็จึงสามารถขจัดกิเลสตัณหาอันติดตามดวงขิดนี่มานับชาติไม่ถ้วนนั้นให้ออกไปจนหมดสิ้นได้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะไปกำจัดมันเอาโดยง่ายๆโดยไม่ต้องทำความดีไม่ต้องละความชั่วอะไรอย่างนี้มันมันเป็นไปไม่ได้อมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าความชั่วมันก็มีอิท ธ, ธิพลเหมือนกันนะหรือว่ากิเลสนี่นะมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยนะมันบังคับให้คนเรานั่นทำความชั่วได้เลยทั้งที่บางคนน่ะไม่อยากทำความชั่วแต่มันก็ทำได้เพราะกิเลสมันบังคับเอาทีแรกคนก็สะสมกิเลสขึ้นมานั่นแหละ เมื่อกิเลสมันมีอิทธิพลแล้ววันนี้กิเลสมันบังคับคนแบบ น, นี้นะอ่ามันเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> ีนี้เผื่อว่ารู้ตัวว่าตนตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเช่นนี้แล้วแล้วจะมากำจัดมันออกไปไม่มีทางะเพราะว่าตนมันมีกำลังน้อยกว่ากิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอน ให้พุทธบริษัทนั้นสั่างสมบูลกุศลให้มากไว้ในใจของตนเอาบุญกุศลนี่เป็นกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านั้น <c oughs> เช่นเอาทานต่อสู้หรือขจัดความโลภความสนีออกจากกิจใจนี้ จเจริญเมตตากรุณาให้มากๆขึ้นในใจเพื่อขจัดความโกรธความมยาบาทออกไปจากดวงขิดนี้เอามันไหว้พระมันภาวนาสมาธิมันสดับสรับฟังคําสอนของพระ เ, เจ้าบ่อยๆเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะขจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆ ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้นี่แหละความดีในพระพุทธศาสนานี่นะมันเป็นเครื่องขจัดกิเลสสามกองนี่ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ก็สุดแล้วแต่กำลังความดีที่บุคคลกระทานั้นมากน้อยเพียงใดมันก็ขจัดกิเลสได้มากน้อยเพียงนั้นนะ <c oughs> เหมือนอย่าง การดับไฟอย่างนี้นะถ้าว่าน้ำน้อยไฟมันมากอ่งนี้มันก็ดับไม่ได้เลยแต่นั้นไฟกองใหญ่มันก็ต้องน้ำ ม, มากมากกว่าไฟนั้นเสียอีกนั่นแหละลดเข้าไปน่ะมันจึงจะไฟนั้นจึงจะอ่อนกำลังลงได้ในที่สุดมันก็ดับไปเพราะว่าน้ามันมากกว่าไฟอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะ่ เมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลอบรมสติปัญญาให้มากขึ้นโดยลำดับไปแล้วมากกว่ากิเลสตัณหาอันมีอยู่ในใจแล้วมงกรสามารถขจัดกิเลสตัณหานั้นให้น้อยเบาบางหรือว่าหมดไปสิ้นไปเลยในที่สุดมันก็ชั้นนั่นแหละดังนั้นผู้ที่ปฏิญญาณตน เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาพระคุณดังสามนี่เป็นที่พึ่งแล้วก็จึงไม่ควรประมาทในการกระทำความดีดังกล่าวมานั้นต้องทำให้มันครบวงจรเรียว่าต้องทำให้มันครบทั้งสามอย่า ง, างนี่ ให้ทานเบื้องต้นนั้นไม่ไม่หมายเอาแต่วัตถุสิ่งของอย่างเดียวเอภัยทานด้วยอภัยทานเนี่ยสำคัญก็เคยพูดบ่อยๆอยู่แล้วก็ต้องพูดอีกก็ย้ำอีกเพื่อให้ผู้ฟังได้แน่ใจว่าการบำเพ็ญความดีเหล่านี้นั้นต้องได้ผลแน่นอนนะต้องให้มั่นใจ ทำไมยังไม่ได้ผลก็เมื่อใครมาชวนทะเลาะบอกแวงแสดงความหยาบคายไรต่อแล้วตนก็ไม่โกรธหรือว่าโกรธก็อดเอาไม่แสดงออกทางกายวาจาแล้วก็นึกให้อภัยแก่ผู้ร่วงเกินตนนั่นเสียไม่ไม่ยึดมั่นในความโกรธความไม่พอใจต่างๆไว้ในใจ สละความไม่พอใจต่างๆแล้วนู้นออกไปเลยอันนี้ท่านเรียกว่าอภัยทานนะแปลว่าการให้อภัยแก่บุคคลที่แสดงตนเป็นศัตรูต่อตนแล้วเวรมันก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทานประเภทนี้นะนจึงจัดอยู่ในเป็นทานชั้นสูงเลยประเดียว จะว่าเป็น p ร r a m a t t h a n a ก็ได้เพราะว่ายากที่บุคคลจะทําได้มีคนจนํานวนน้อยที่ทําได้นะนเช่นพระโพธิสัตว์นี่แน่นอนอันนี้นะพระโพธที่สัตว์นี่ท่านไม่พยาบาทใครเลยแม้ใครจะมาล่วงเกินเบียดเบียนยังไงก็ท่านให้อาภัยไปวันยังค่ําเลยคนนอกนั้นแล้วมันก็เลือกอะไรแบบนี้นะเลือกคนนะผู้ที่จะยกโทษหรือให้อาภัยแก่คน ผู้ประมาทแล้วนั่นนะ่ะนั่ว่ามีจํานว น, นน้อยเต็มเทียอยากจะให้มีจํานวนมากๆขึ้นไปแหละอืเพราะว่าเราทุกคนนั่นทำได้ถ้ากว่าเรามีเหตุผลดังกล่าวมานี้ปรากฏขึ้นในใจแล้วทุกคนก็ทําได้เหตุผลอะไรอ่ะเหตุผลอย่างที่ว่านั้นแหละ ถ้าหาก ว, ว่าตนไปผูกโกรธผูกพยาบาทเขาไว้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรไปถ้าตนไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธไว้ในใจแล้วอย่างนี้ให้อภัยเขาไปเวรทั้งหลายก็ไม่มีตนก็ไม่ได้ประสบความทุกข์เพราะเวรกรรมต่างๆตามสนองไม่มีเนี่ยอภัยทานมีผลดีอย่างนี้ก็เมื่อผู้ใดเห็นเด็ดผลดังกล่าวมานี่โดยเจีมแจ้งด้วยตนเองแล้ว ก็ทำได้นะนั่นไงทำไมจะทำไม่ได้เว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่หวงกิเลสดังกล่าวมานี่ไม่ยอมสละมันชื่นชมยินดีกับกิเลสเหล่านี้แล้วแน่นอนนะมันก็มันก็ให้อภัยทานไม่ได้เลยเรียกไปหวงในสิ่งที่มีพิษร้ายต่อตัวเองนั่นเรียก ว, ว่าคนหลง คนไม่รู้จริงเห็นแจ้งแล้วคนเช่นนั้นน่ะเป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองไม่ยอมฟังคำสอนของพระตืีเจ้าหรือได้ฟังคำสอนแล้วก็ไม่ยอมน้อมเอาคำสอนนั้นมาพิจารณาให้รู้ให้เห็นเหตุผลเรื่องนั้นๆโดยแจมแจ้งเช่นนี้มันก็ไม่มีทางนะมันจะไปลากีเลตัญหาได้ เพราะว่าโดยลำพังความรู้ความสามารถของคนเราแต่ละคนนี่มันไม่ไ ม, ไม่มีไม่ไม่มีกำลังที่จะมาละกิเลสตัณหาด้วยตนเองได้เลยต่อเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพทธเจ้าแล้วได้จำเอาคำสอนนั้นไปสอนใจตัวเองเข้าไปอีกทีหนึ่ง นั่นแหละถึงจะละที่เลตตัญหาต่างๆได้ mm hmm. ดังนั้นทุกคนมันก็สมควรที่จะมาพิจารณาตัวเองนี่ให้มันเห็นแจ้งชัดให้รู้เรื่องของตัวเองเนี่ยอโดยแจม แ, แจ้งให้ได้แต่คนส่วนมากไม่รู้เรื่องของตัวเองนเไอไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอยู่อย่างไรทุกวันนี้ mm hmm. ตนมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงใดตนมีความทุกข์อย่างไรบ้างแล้วตนจะหาทางออกจากทุกข์นี่ได้โดยวิธีใดอย่างนี้เนี่ไม่ค่อยจะมีความดำริกันนะคนน ะ, ะถ้าผู้ใดมีความคิดอย่างนี้นี่ผู้นั้นก็ต้องแสวงหาทางออกจากทุกข์แน่นอนนะอืมดังที่ ในครั้งพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยคนผู้มีบุญวัฒนาบา ร, รมีบุญกูสศนโดนบรันรดาลให้เกิดความคิดขึ้นมาหลายๆายคนนะว่าเออในโลกนี้อะไรหนอเป็นมงคลอย่างเนี้ยเมื่อตั้งกระทู้อย่างนี้ขึ้นแล้วก็เอาคนน่นก็ถามคนนี้คนนี้ก็ถามคนโน้นไปเอ ต่างคนก็ออกความคิดความเห็นกันไปนี่เมื่อเมื่อความคิดความเห็นไม่ตรงกันก็ลงกันไม่ได้ก็จึงมีผู้แนะนําให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูล ถ, ถามถึงสิ่งที่เป็นมงคลก็องค์เจ้าก็จึงได้ทรงจัดมงคลคาถาสามสิบแปดประการให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฟังอมนุษย์ และเทวดาทั้งหลายได้จำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามก็ได้เป็นสรรโมงคลนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนและครอบครัวเช่นอย่างในมงคลข้อแรกทรงสอนให้เว้นจากการครบคนพานแล้วก็ทรงสอนให้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตทรงสอนให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างนี้นะ หากถ้าว่าผูใ้ใดปฏิบัติตามได้อย่างนี้ <c oughs> ก็จะนำความสุขความเจริญมาให้ทีนี้หมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็พากันไปประพฤติปฏิบัติตามนะรู้ว่าคนนี้เป็นคนทานมีความประพฤติไม่ดีก็ไม่คบหาสมาคมไม่ไปหามาสู่ อ, อย่างนี้ เมื่อรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีมีปัญญาไม่ทำความชั่วมีเมตตาอารีต่อเพื่อนฟุง้งต่อญาติพี่น้องไม่เห็นแก่ตัวทำอะไรก็เพื่อส่วนรวมก็คนนี้แหละเป็นบัณฑิตเป็นนักปราบก็รู้ได้แล้วก็เข้าใกล้คบหาะมาคมกับนักปราดบัณฑิตเช่นนั้น ท่านก็จะแนะนําให้บําเพ็ญกุศลคุณงามความดีมีใจอารีอบอ้อมกว้างขวางเผื่อแผ่เช่นเดียวกันกับท่านผู้เป็นนักปราชญ์นั้นผู้นั้นก็เลยพลอยเป็นนักปราชญ์ไปตามด้วยพลอยมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนอย่างพุทธบริษัทในครั้งนั้นก็ได้เข้าผาสมาคมกับพระโพธิสัตว์เข้าไป ท่านก็แนะนำให้ละความชั่วทำความดีท่านเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามก็ได้รับความสุขโดยลำดับชาติลำดับพบมาสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อ <c oughs> <c oughs> เมื่อพระพพธิสัตว์มาได้ตรัสรู้เป็นพระพุตธเจ้าคนเหล่ า, านั้นก็มาเกิดร่วมศาสนาของพระองค์ ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไปได้มีอยู่เป็นจำนวนมากผู้ที่อินทร์บารมียังอ่อนอยู่ก็พยายามสั่งสมบุญกุศลบารมีทมไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าท่านเหล่านั้นรู้แล้วนี่รู้แนวทางแล้วรู้แนวทางสั่งสมบุญกุศลแล้ว เป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้เกิดมาในภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่พระนิพพานล่วงเลยมาแล้วไดสองพันห้าร้อยกว่าปีนี้แต่พระธรรมและพระสงฆ์ก็ยังมีอยู่เราก็ได้มาศึกษามาสดับสบฟังคำสอน จนรู้จักแนวทางออกจากทุกดังที่นํามาเน้นําสั่งสอนนี่แหละอดังนั้นจึงขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนําเอาไปประพฤติปฏิบัติตามไม่ควรที่จะมาอ้างโนอนอ้างนี้ว่าขัดข้องอย่างนั้นขัดข้องอย่างนี้การที่คนเรามันอ้างความขัดข้องต่างๆนี้แหละ เกิดมาชาติใดก็จะมีแต่ความขัดข้องอยู่อย่างนั้นกรรมนั้นมันแต่งให้แล้วเมื่อเกิดอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาก็ไม่คิดที่จะแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้รู้่วงไปเมื่อขัดข้องอย่างไรก็เอา <c oughs> ก็หยุดชะงักการงานไปไม่ยอมแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้รู้่วงไป ผู้นั้นก็เกิดมาชาติใดก็มาแต่ติดอุปสรรคอยู่นั้นทาความดีไม่ได้เลยเอา้าคนเกิดมาแล้วเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีเงินทองไม่ค่อยอุดอมสมบูรณ์ก็อ้างว่าตนไม่มีเงินไม่มีทองอพอที่จะมีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมจำถิ่นกับเพื่อนผู้เช่นนั้นก็เลยไม่ใกล้วัดใกล้วาเข้าไป ไปเที่ยวหาทางแต่เลียงปากเรียงทองนั้นไปวันวันคืนคืนไปก็เลยได้จะแค่นั้นแหะคนเช่นนั้นไม่ได้สั่งสมบุญบารมีเอไม่ได้สั่งสมบุญบารมีอะไรกับเพื่อนเลยอืแต่ว่ามันก็มีบางคนเอาอุตสาฝ่าฟันอุปสรรคกันนั้นมาทําบุญกับเพื่อนเดือนพอนปีปีหน ก็หากมีหรอกอันคนจนนั่นนะแต่ว่าดูเหมือนจะมีน้อยเต็มทีคนที่หันหลังให้ศาสนาคนไม่คิดที่จะสั่งสมบุญบารมีมีมากเหลือเกินในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นผูใ้ใดได้ฟังคำแนะนาสั่งสอนอันนี้แล้ว <c oughs> ก็ไม่ควรที่จะมาอ้างว่าตนอันเป็นคนยากจน <c oughs> ก็เมื่อรู้ว่าตนเป็นคนยากจนแล้ว ก็ควรจะคิดว่าในชาติก่อนนั้นตนก็ไม่ได้ทําความดีเอ อ, อ้างแต่ว่ายากจนอย่างนี้แหละอย่างในชาตินี้แหละไม่ได้ทําบุญให้ท่าไม่ได้กราบได้ไหว้ออไม่ได้เคารพนบน้อมต่อท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะส่งตนให้เกิดในที่มีความสุขความจเจริญได้เ อ, อ อย่างนี้ควรจะคิดนี้ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วแม้ว่าจะยากลบาบากเลยมันก็ต้องสู้ทนอดกันสละเวลาเข้าวัดเข้าวากันอพอได้ไปกราบไปไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไดฟังธรรมคำสอนของพทธเจ้าให้ได้รู้หนทางอดจากทุกข์ไปตามกำลังสติปัญญาของตนอย่างนี้มันก็ยังจะพอเป็นอุปนิสัย ติดตามตนไปได้อไอ้ผู้ร่ำรวยมั่งมีก็ไม่ควรที่จะอ้างว่าตนค้าการงานาไม่ได้ว่างไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดฟังธรรมจำสินอะไรเลยเ อ, อย่างนี้นี่ก็ไม่ควรที่จะไปอ้างอุปสรรคเหล่านั้น <c oughs> อันผู้ที่ อ้างอุปสรรคดังกล่ามานั้นเป็นผู้ไม่ได้นึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของตนว่าตนนั้นอาจจะอยู่ในโลกอันนี้ไปได้นานจากเท่าใดไม่ไม่ได้คิดได้นึกลำพึงเลยแล้วตนนั้นมีความสุขเพราะอะไรตนนั้นเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ได้คิดเลยเออคิดเสียว่าตนเกิดมาโดยธรรมชาติเฉย ธรรมชาติถักสร้างให้เป็นเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นแหละไม่ได้นึกว่าบุญบาปอะไรจะมาตกแต่งความสุขความทุกข์ให้แกตนไม่ได้คิดกันเลยดังนั้นจึงผู้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เมาค้าเมาขาย <c oughs> ผู้เป็นชาวนาชาวสวนก็เมาทำนาทำสวนกัน ือผู้เป็นช่างไม้ช่างก่อสร้างอะไรก็เมากับการก่อการสร้างนั่นแหละอ่าอ้างว่าเมื่อตนไม่ทํางานเงินก็ไม่มีใช้ก็ต้องลําบากอะไรอย่างนี้แหละก็อ้างใจอย่างนั้นแล้วก็ไม่เลยไม่ได้ทําบุญเลยอ่าอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนหลงคนเมาอ่อาอ้าคนเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็เมาความเป็นหนุ่มเป็นสาว ตนกาลังเพิดเพลินกำลังหาความสนุกสนานถ้าจะเมาไวแต่เข้าวัดเข้าว่ามันก็จะขาดความสนุกสนานไปไว้เด็กไว้เล็กก็เมาเล่นเมาหัวถึงวัยกลางคนก็เมาหารายได้เมาหาล่าพายดุดหาความร่ำรวยเอาพันพอถึงวัยแก่มา ก็เมากับความแกช่ชราลุกก็ยากนั่งก็ยากตาก็มัวหูก็อนึนั่งนานก็ไม่ได้เจ็บหลังเจ็บเอวก็เลยไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ยินดีจะมานั่งฟังธรรมคาสอนชั่วแต่ห้านาทีสิบนาทีก็ไม่เอานี่เรียกว่าความเมาท้พนน า, นาถึงความเมาแล้วเป็นอย่างนี้แหละ คนที่มีความหลงความเมาเข้าครอบงามจิตใจอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำความดีอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์บุญกุศลด้หนหลังตกแต่งให้ได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็เลยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทำความเป็นมนุษย์นี่ให้ให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็มาทำลายความเป็นมนุษย์ของตนให้ย่อยยับลงไปผู้เช่นนั้นน่ะ เมื่อตายลงไปเนี่ยไม่มีทางเลยจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเขาไม่มีคุณสมบัติอะไรที่จะนํามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเลยมันจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ติงเดระฉานไปหรือไม่เช่นั้นก็ลงนรกนู่น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรบฟังเรื่องความเมาในชีวิตในทรัพย์ในยศในลาบ ในความสรนสุ่นเยินยอในวัยต่างๆดังกล่าวมานี้แล้วควรพากันคิดกันพิจารณาเราเกิดมาในโลกนี่ไม่ใช่เกิดลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรนํามาตกแต่งอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดพระพุเทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของต น, นหมายความว่าตนทําอะไรลงไปแล้วมันเป็นกรรมไหม ทำดีก็เป็นกุศลกรรมทําชั่วก็เป็นอกุศลกรรมกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั่นแหละว่านี้มันนําดวงกิจอันนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี่ไม่ใช่ว่ามันไปเกิดเองนะมันมีบุญมีบาปนําไปเออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้คนเราพยายามละบาปออกไปให้หมดสั่งสมบุญกุศลให้มันมากขึ้นไวปโดยลําดับ ไอ้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็เต็มลงได้เมื่อบุญกูเ็อบุญกูสนเต็มลงเมื่อใดก็พนทุกพนภัยในสงสารเมื่อนั้นดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้